วันนี้เป็นวันศุกร์ที่15กักดาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดพิเศษเป็นวันหยุดที่ทางรัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง5วันด้วยกัน ปกติก็จะต้องไปทำงานกันในวันนี้แต่วันนี้ไม่ต้องไปทำงานจึงถือว่าเป็นวันกำไรบุญสำหรับผู้ที่แสวงบุญเพราะว่าถ้าต้องไปทำงานก็จะไม่ได้มีเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้ามีวันหยุดพิเศษขึ้นมา ก็เหมือนกับได้เวลาพิเศษเวลาที่มีคุณค่าที่เราสามารถเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลเช่นในขณะนี้เรากำลังมาสร้างบุญสร้างกุศล ที่เรียกว่าการฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นการกระทาที่สำคัญที่สุดของผู้ที่ต้องการจะได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคือการหลุดพ้น จากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาพราะธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับซึ่งมีอยู่สี่ลำดับด้วยกันเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งซึ่งจะเป็นผลที่จะตามมาศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้เราไปสวรรค์ไป รำไปเกิดในพพหน้าชาติหน้าเพื่อให้ล่ำให้รวยเพื่อให้เจริญในราบยศสารเสริญสุขแต่สอนให้พวกเรานั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อจิตใจเท่ากับมรรคผลนิพพาน การได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานธาิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นอะไรต่างๆที่เป็นการอยู่ในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้น เพราะการเป็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวตายไปก็สิ้นสุดลงไม่สามารถเอาความเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตย์เป็นพระมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นอะไรต่างๆไปกับตนได้แต่ การบรรลุมรรคผลผนิพพานนี้เป็นการนำพาจิตใจที่ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในไตรภพคือการมาพบรูปภพและอรูปภพนี้ให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆเหล่ า, า, านี้ได้อย่างถาวร ไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดค่าจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆอีกต่อไปแต่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้ายังไม่สามารถไปถึงขั้นสูงสุดได้ก็จะมีอนิสง ต่างๆปรากฏขึ้นในระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติจะไม่ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิ ผู้ที่ศึกษาแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ตายไปนี้จะไม่ไปเกิดในอบายจะไม่เกิดเป็นเบลชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมก่อนหรือไปเป็นพระอริยบุคคลสองขั้นแรก คือขั้นสวดาบันกับขั้นพระสกิดาคามีเท่านั้นเพราะธรรมของพระเจ้านี้เป็นเหตุที่จะดึงมือพาจิตใจให้ขึ้นสู่สุคติให้ขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นที่มีความสุขมากขึ้นที่มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับนั่นเอง ดังนั้นขอให้เราอย่าเข้าใจผิดอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนให้พวกเราไปสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีมาเกิดเป็นดาราภาพยนตร์มาเกิดเป็นประธานาธิบดีรัฐมนตรีหรือราชามหากรย์ สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานที่เป็นเป้าหมายที่สูงสุดถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานถ้ายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีอาการครบสามสิบสอง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิกลพิการไม่มีอายุจะไม่สั้นอาจจะอายุจะยืนยาวนานดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรม ี้เพื่อมักผลมีผลเพื่อการออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้จะมาเกิดดีขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอย่างนั้นเป้าหมายที่แท้จริงนั้นก็คือถ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้น ทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นสตรบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ศาสตรนั้นก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเสมอไป<น>ดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเราจะได้ไม่หลงทางกัน ให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมนี้คือพระ น, นิพพานหรือมรรคสี่ผลสีนนน่นิพพานเนี่ยมรรคสี่ก็คือมรบรรดัยสี่ขั้นผลก็คือผลที่เกิดจากการเจริญมรในสี่ขั้นเจริญมรขั้นที่หนึ่งก็จะได้ผลขั้นที่หนึ่งคือโสดาบัน จริญมากขั้นที是是่สองก็จะได้ผลขั้นที่สองก็คือสกิดาคามเจริญมากขั้นที่สามก็จะได้ผลขั้นที่สามคืออนาคามเจริญมากขั้นที่สี่ก็จะได้ผลขั้นที่สี่คืออรหัตผลพอได้อลาหัตผลแล้วก็ไปถึงนิพพานทันทีได้เข้าสู่ได้ออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์สำหรับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามผลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนี้ยังไม่ได้ออกจากตายพบอย่างสมบูรณ์ผลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนผลขั้นที่สามนี้ ไม่ต้องเป็นมนุษย์แล้วแต่ไปเป็นพรหมไปติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมพอถึงผลขั้นที่สี่คืออรัตตผลก็จะเข้าสู่พระ น, นิพพานจะออกจากปตรภพอย่างสมบูรณ์ปายภพนี้จะไม่มีแรงดึงดูดให้จิตใจของพระอาหารหันต์นั้นกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน ในใจพบอีกต่อไปอ น, นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะการที่เราจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีการศึกษานี้เองศึกษาทางภาษาบาลีมายภาษาของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าปรบาัี ศึกษาเพื่อ น, นำเอาไปปฏิบัติขั้นที่หนึ่งคือศึกษาขั้นที่สองคือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่ศึกษานี้จะไม่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆจะไปไม่ถึงขั้นที่สามคือปฏิเวกแปลว่าการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานดังนั้นทุกคนที่ปรารถนามรรคผล น, ผนิพพานทุกคนที่ปรารถนาการหลุดพน้นี้จำเป็นต้องเริ่มต้นที่ขั้นที่หนึ่งก่อนคือการศึกษา แนวทางที่จะพาให้ดูดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็เรียนแนวทางก็เรียกว่ามรคนี้เองมรที่จะนำเราไปสู่มรสี่ผลสี่นิพพานหนึ่นงมรนี้อาจจะแบ่งเป็นสองระดับระดับโลกีะกับระดับโลกุตตระ ที่ได้แสดงไปเมื่อกี้นี้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้เรียกว่าโลกุตตะะมรรคคือมรรคที่จะนำออกจากสังสารวัฏออกจากตายพมออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่การที่จะเข้าสู่อริยมรรคได้อริยผลได้นี้เราต้องมีโลกีมรรคคือมรรคที่ยัง พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพแต่อยู่ในสุคติอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนนันขั้นต้นเราจะต้องเจริญโลกีเามรักก่อนแล้วเมื่อเราได้โลกียามรักแล้วเราก็จะเข้าสู่โลกุตระมรักได้โลกียามรักนี้คืออะไร ก็คือทานศีลแล้วก็สัมมาทภาวนาหรือสมาธินี่เป็นโลกีมรรคเป็นมรรคที่เราต้องเจริญก่อนตอนที่เราจะเข้าสู่โลกุตรามรรคได้ก็คือปัญญามรรคที่พู้เจ้านำมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมนี้เริ่มต้นที่การ ปิบัติทานทำทานแล้วก็รักษาศิงแล้วก็ภาวนาขั้นต้นคือสมถภาวนาก่อนที่จะไปสู่วิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานี้ก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาทานศิง กับสมาธินี้เป็นโลกียมักมักที่ยังไม่ได้พาให้จิตออกจากสังสารวัฏได้แต่จะพาให้จิตนั้นเวียนว่ายตายเกิดในทุกขในสุขคติคือภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของอินของพรหมทั้งหลายอยู่ที่โลกียมักนี้คือการทำทาน การรักษาสีล์แล้วก็การเจริญสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบให้เป็นฌานขั้นต่างๆนี่คือโลกียมรักถ้าปฏิบัติเพียงขั้นนี้จะไม่สามารถนำพาจิตใจให้ออกจากไตรภพได้ออกจากสังสารวัฏได้ซึ่งเป็นการปฏิบัติของ ผู้ปฏิบัติในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีใครรู้จักโลกุตตรมามักกันจะไม่รู้จักปัญญาทางพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสีกับใยรักกันต้องมีพระพุทธศาสนาถึงจะสามารถเข้าถึงโลกุตตลามักได้แต่ก็ต้องผ่านโลกียมักก่อน ถ้าไม่มีโลกียมกักถ้าไม่ทำทานเลยไม่นักษาศีลเลยไม่เจริญสัมมาทภาพาวนาเลยนะีอยู่ๆจะมาใช้ปัญญาเพื่อให้เข้าสู่โลกุตรมามักได้นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะสามารถปฏิบัติทำระดับสูงได้เหมือนกับเด็กนักเรียนที่เริ่มเข้าโรงเรียนเด็ก ท่านแรกเวลาเข้าโรงเรียนเขาต้องจับไปเข้าที่อนุบาลก่อนเขาไม่ไปส่งให้เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาทันทีไปเลยไปมไปจบปริญญากันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะหนูนะแต่เด็กมันไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้เหมือนผู้ใหญ่จึงต้องค่อยต่ไต่เ ต, ต, ต้าขึ้นไปจากอนุบาลไปสู่ปถม จากประถมไปสู่มัธยมก่อน<ม>พอถึงขั้นม .6 แล้วทีนี้ก็ต้องสอบเอ็นทรานกันนะ<ม>จะดูว่าจะก้าวสู่ขั้นอุดมศึกษาได้หรือไม่มอันนี้ก็เหมือนกันจิตที่ยังไม่ได้ปฏิบัติทานไม่ได้ปฏิบัติศีลไม่ได้ปฏิบัติสมาธินี่จะไปปฏิบัติปัญญาเลยนี่ ไม่ไม่ได้ผลปฏิบัติได้นั้นเด็กอนุบาลจะไปขอเรียนในมหาลัยก็เรียนได้แต่เรียนไม่มีเรียนไม่จบเวลาสอบก็จะตกสอบตกการเจริญปัญญาการปฏิบัติขั้นปัญญาก็เพื่อไปทำข้อสอบคือการไปละสังโ ย, ยชนิสิกะการเช่นสักกายาทิฏฐิเป็นต้นนี้ ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสีงไม่มีทานเป็นผู้สนับสนุนจะไม่สามารถทำข้อสอบคือละสังโยชน์ต่างๆได้นี่คือมรรคที่พุทธศาสนิกชนต้องเจริญกันและพุทธศาสนิกชนแต่ละคนก็ต้องรู้ฐานะของตนว่าตนมีกำลังที่ จะปฏิบัติมากขั้นไหนกันมีกำลังปฏิบัติขั้นทานหรื อ, อยังมีการปฏิบัติขั้นศิลหรื อ, อยังมีการปฏิบัติขั้นสมาธิได้หรื อ, อยังสอบผ่านหรื อ, อยังขั้นเหล่านี้<ม>เช่นทำทานนี้สละได้ไหมเข้าของเงินทองที่เราไม่เดือดร้อนกับมันถ้าเราไม่มีมัน เรื่องว่าเรายังรักยังหวงยังไม่อยากจะให้มันจากเราไปอยู่อันนี้คือข้อทดสอบทางด้านระดับทานว่าเราสามารถสละสิ่งที่เหลือเฟือสิ่งที่เรามีเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราหรือไม่เป็นร่างกายเราต้องการอะไร ต้องการปัจจัยสี่อันนี้เป็นของดำรงชีพนแล้วของอื่นๆที่มันไม่มีความจําเป็นต่อการดำรงชีพเราสละได้ไหมเราให้บอยจาคให้เอาไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไดไ้เก็บไว้กับเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันดีไม่ดีก็ทําให้บ้านลกลุ่นลั ง, งไปเสียกว่าแล้วก็กลายเป็นภาระให้เราต้องมาคอย กอดดูแลรักษากันถ้าไม่มีแล้วใจเราก็จะได้โล่ง อ, อกโล่งใจสบายตัดภาระไปได้ก้อนหนึ่งเพื่อเราจะได้เอาเวลานี้มาปฏิบัติมากขั้นที่สูงขึ้นไปนั่นเองันั้นการที่เราจะปฏิบัติทำแต่ละขั้นนี้เราก็ต้องรู้ว่า แต่ละขั้นนี้มีอะไรด้วยซึ่งวันนี้ก็จะอธิบายให้ทราบเป็นขั้นขั้นไปขั้นทานคือการให้ให้สิ่งที่เป็นของเราให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วจะเป็นอะไรก็ได้มีอยู่สามอย่างด้วยกันที่เราสามารถให้แก่ผู้อื่นได้เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของเรา สิ่งแรกที่เราให้กันอยู่เสมอก็คือข้าวของเงินทองต่างๆเช่นเวลาเราให้อาหารพระบิณฑบาตใส่บาตรพระถวายพระทหารถวายเ จ, จตุ ป, ปัจจัยเช่นจีวรเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคหรือบางทีก็ร่วมกันบริจาคสร้างที่อยู่อาศัย อันนี้เรียกว่าวัตถุทานการให้ด้วยวัตถุข้าวของสิ่งของถ้าเรามีวัตถุเหลือเฟือเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรให้กับเราเราก็เอาไปให้ประโยชน์กับผู้อื่นซึ่งเป้าหมายแรกของการให้ของชาวพุทธเราเราต้องพุ่งไปที่พระพุทธศาสนาก่อนเพราะพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนกับที่พึ่งของเรา ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีผู้ที่จะมานำทางมาสอนมาพาให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นเป้าหมายแรกของการทำทานของพวกเราจะทำทานในรูปแบบใดก็สุดแท้แต่จะศรัทธาบางท่านชอบใส่บาตรก็ใส่บาตร บางท่านชอบออกโรงทานก็ออกโรงทานบางท่านชอบทำบุญถวายผ้าป่าถวายผ้ากฐถินบางท่านชอบสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์อะไรเหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานเราต้องทำรูปบรรุุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเหมือนโรงเรียนของพวกเราก่อน ถ้าเราไม่สนับสนุนโรงเรียนเถ่นเราไปโรงเรียนเราไม่จ่ายค่าเล่าเรียนไงโรงเรียนจะอยู่ได้ไหมใช่ไหมเพราะโรงเรียนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายเงินเดือนให้ครูต้องมีค่าก่อสร้างห้องเรียนต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆถึงจะมาสามารถมาเป็นโรงเรียนเพื่อเผยแผ่ความรู้ให้แก่นักเรียนได้ นักเรียนก็ต้องตอบแทนโรงเรียนบุญคุณของโรงเรียนด้วยการบริจาคค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้แก่โรงเรียนวัดก็เหมือนโรงเรียนวัดก็มีค่าใช้จ่ายมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีมีอาหารเนี่ยครูคือพระเนี่ยพระนี่ก็แบ่งเป็นสองระดับระดับนักเรียนกับระดับครู ถ้าเป็นพระบวชใหม่ก็ยังไม่ได้เป็นครูเป็นครูฝึกหัดมาฝึกหัดเป็นครูกันพระที่มาบวชใหม่แล้วพอบวชไปนานๆปฏิบัติไปมากๆก็รู้มากขึ้นเองแล้วต่อไปก็กลายเป็นครูเราทำบุญเราก็ต้องสนับสนุนสถาบันการศึกษาของพวกเราด้วยการจ่ายข่าวเล่าเรียนทำบุญทำทาน มาพักที่วัดก็ต้องช่วยกันจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบำ ร, รงุงที่พักที่อ่อสัยเพราะต้องคอยซ่อมเดี๋ยวปลาปาก็เดี๋ยวห้องน้ำก็เสียเดี๋ยวอะไรก็เสียเดี๋ยวไฟดอดไฟก็ดับมีค่าใช้จ่ายต่เพียงแต่ว่าทางสถาบันทางวัดนี้ไม่นิยมที่จะเรียกร้องจากผู้ที่มาทำบุญปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธา ห่ยให้เพราะแต่ละคนที่มาก็มีกำลังทรัพย์ไม่เท่ากันจะไปเก็บเหมือนทางโลกก็จะแบ่งแยกคนมีเงินจากคนไม่มีเงินคนมีเงินก็เข้าวัดได้แต่คนไม่มีเงินก็จะเข้าวัดไม่ได้เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆทางวัดก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามความศรัทธาของผู้ที่มาอยู่ ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์ของผู้ที่มาศึกษาว่ามีทรัพย์มากน้อยเพียงไรที่จะสนับสนุนสถาบัานการศึกษานี้ได้มากน้อยเพียงไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาแต่ต้องทุกคนถ้าเราต้องการปฏิบัติมรกเพื่อให้หลุดพ้นขั้นที่หนึ่งนี้ก็คือทานเราก็ต้องทำทาน อย่าเสียดายเงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้<ม>ถ้ า, าไม่ได้มาทำประโยชน์มาเจริญมรรคก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับเรา<ม>ตายไปก็ไม่ได้ส่งให้เราไปสุคติดีไม่ดีพาให้เราต้องไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบาก<ม><ม>เพราะเราไม่ได้ทำทานกันเองทานนี้จะทำให้เราเวลากลับมาเกิดใหม่ มีทราบรอเราอยู่มาเกิดแบบมีฐานะไม่ยากจนทามุญทำทานแล้วถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะไม่ยากจนจะมีเงินทองมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ที่จะคอยสนับสนุนการกินการอยู่อย่างสุขอย่างสบาย น, นี่คือเรื่องของวัตถุทาน นีบางทีบางคนก็อาจจะมีวัตถุทานน้อยมีรายได้น้อยแต่ก็สามารถทําทานชนิดอื่นได้ชนิดที่สองที่สามารถทําได้ก็คือวิทยาทานก็คือวิชาความรู้ที่เราได้เรียนได้ศึกษามาบางท่านอาจจะเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างนี้แต่รายได้น้อยครูบาอาจารย์นี่รายได้จะไม่มาก อาชีพครูนี้เป็นอาทีพเสียสละเงินทองจะไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่พอให้กินอยู่ได้สบายเท่านั้นเองแต่ไม่ร่ำไม่รวยแต่อย่างใดดังนั้นเวลาจะทําบุญทำทานด้วยเงินทองก็อาจจะทําได้น้อยแต่ก็สามารถทําในสิ่งที่มีมากได้คือความรู้วิชาความรู้ เช่นอาจจะสอนกวดวิชาแบบไม่เก็บสตังก็ได้วันไหนก็จัดเวลาสักวันหนึ่งให้เด็กที่อยากจะกวดวิชามาเรียนวิชาที่เรารู้ถ้าเราเป็นรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็สอนเด็กเพื่อให้เด็กได้มีความรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อเวลาสอบจะได้คะแนนดีๆ เราก็อาจจะไม่เก็บตงิงหรืออาจจะเก็บแบบราคาพิเศษไม่มากไม่แล้วแต่แล้วแต่เด็กที่มาเรียนว่ามีกำลังจะให้เท่าไหร่ทำเป็นเหมือนวัดก็ได้ทำตามจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้จะจ่ายเดือนละร้อยก็ได้เดือนเดือนละยี่สิบก็ได้หรือจะเรียนฟรีก็ได้ถือว่าเป็นการให้ให้วิทยาทาน ให้วิชาความรู้ต่อผู้อื่นซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาการเรียนนวิชาอย่างอื่นก็ได้เช่นการทำกับข้าการเรยบ็บปักถักร้อยการมีความรู้อะไรแล้วสามารถสอนให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เอาไปใช้เพื่อที่เขาจะได้มีรายได้เพิ่มเติมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำทานได้บุญเท่ากัน ได้บุญเท่ากับการบริจาคเข้าของเงินทองแล้วอย่างที่สามเราสามารถที่จะให้ได้ก็คือธรรมทานธรรมทานนี้ก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราอาจจะได้รับมาเวลาที่เราไปวัดกันไปวัดแล้วก็มักจะมีหนังสือธรรมะแจกจหญ่เราก็เอามาอ่านแล้วเราก็ได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือธรรมะเหล่านี้ ทำให้เรารู้เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นพอเราเข้าใจแล้วถ้ามีคนอื่นเขาไม่เข้าใจเขาอยากจะเรียนรู้เราก็อาจจะบ ร, ริจาคหนังสือธรรมะเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นไปก็ได้หรือถ้าไม่ได้บ ร, ริจาคหนังสือก็อาจจะเล่าาให้เขาฟังก็ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันเพื่ออะไรกัน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานการให้ทั้งสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ธรรมะนี้ชนะการให้ทั้งปวงเพราะประโยชน์ที่จะได้รับจากธรรมะนี้สูงกว่ามากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากวัตถุทานและวิทยาทานเพราะวัตถุทานก็ช่วยบรรเทาคำ ทุกยากเดือดร้อนปวดย า, าขิขาดแคลนทางร่างกายทางปัจจัยสี่ส่วนวิทยาทานก็ช่วยให้มีความรู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปทำเป็นวิชาชีพเลี้ยงชีพต่อไปก็หาปัจจัยสี่เหมือนกันแต่ธรรมทานนี้จะให้ธรรมะแสงสว่างแห่งธรรมที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเงียนว่าตายเกิด ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดไปตั้งแต่ยังไม่ตายสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้หมดจากใจและอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเลยนี่คือเรื่องของฐานที่ชาวพุทธเราทุกคนนี้ควรที่จะให้ความสําคัญเพราะเป็นบันไดขั้นแรก เพื่อที่จะพาให้เราขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองคือการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ถ้ารักษาโดยที่ไม่ทําบุญทําทานเลยนี้จะรักษาได้ยากกว่าคนที่ทําบุญทําทานเพราะเหตุใดเพราะคนที่ทําบุญทําทานนี้เป็นคนที่เสียสละแบ่งปันคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่ คนที่มีความเมตตาต่อผู้อ่ส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำบุญทำทานยังหวงยังตเนิยังโลภอยากได้เงินได้ทองมากๆเลยจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีความเมตตาต่อผู้อ่จะยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เพราะถ้ามีความโลภหรือมีความหวงในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นี้ก็จะต้องบางทีก็ต้องเบียดเบีย น, ยนสร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเอาไว้แต่คนที่ยินดีที่เสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อืน่นนี้จะคำานึงถึงความเดือดร้อนถึงความเสียหายของผู้อื่นถ้าการหาหรือการรักษาผลประโยชน์สุขของตนนี้ไปสร้างความเสียหายไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ก็จะไม่ทำโดยธรรมชาติของคนที่ใจบุญคนที่ทำบุญทำทานอันนี้ต้องเข้าใจว่าการทำบุญนี้ทำจากใจจากความปรารถนาที่จะให้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นจากสิ่งของที่เรามีอยู่ในตัวเราเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราทาบุญทาทานเพื่อให้เราได้ ร่ำให้รวยเวลาเรากลับมาในพบหน้าชาหน้าหรือให้เราถูกหวยงวันนี้เดี๋ยววันที่สิบหตอนเช้าก็ใส่บาทกันเต็มไม่หมดเดี๋ยวตอนบ่ายเพื่อจะถูกหวอยอันนี้ไม่ได้เป็นการทำทานที่ถูกวิธีถูกเป้าหมายของการทำทานเป้าหมายของการทำทานนี้เพื่อบ่อยวางไม่ให้เรายึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่าง เพราะว่าเราต้องตายกันทุกคนและเวลาเราตายแล้วสมบัติเข้าของเงินทองมีมากน้อยเราก็เอาไปไม่ได้มีไว้ก็เป็นภาระแล้วก็เป็นทุกเป็นเครื่องถ่วงใจเราทำให้เราไม่สามารถไปรักษาสิ่งไปปฏิบัติทำไปนั่งสมาธิได้ไปเจริญปัญญาได้เพราะจะโบแต่ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติ หรือกรอบโกยทรัพย์สมบัติให้มีมากขึ้นไปตามลําดับนั่นเอง<ม>ทานนี้มีไว้เพื่อการความโลภ ก, <ม>การความตนี<ม>การความยึดติดในทรัพย์สมบัติแล้วก็การความไร้เมตตาปราณีต่อผู้อื<ม>่นถ้าทําทางแล้วจะมีความเมตตาปราณีจะไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมากเกินความจําเป็นต่อการดำเนินชีวิ อันนี้ก็จะทำให้จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาโัวแต่หาเงินหาทองอยู่ทั้งปีทั้งชาติคิดแต่เรื่องหาเงินหาทองเวแล้วถ้ามีเงินมีทองก็คิดแต่ใช้เงินใช้ทองเพื่อตัวเองจะไปซื้ออะไรใหม่ดีจะไปซื้อของแพงๆที่ไหนดีจะไปกินของอร่อยที่ไหนดีมันก็จะหมดกับการเสพการ มวยกับการปฏิบัติตามกิเลสตังหาตัวที่คอยดึงจิตใจให้ติดอยู่ในการเวียนว่าตายเกิดนี mm ่ hmm. จะไม่มีเวลาที่จะไปตัดกิเลสให้ออกไปจากใจได้ mm hmm. แต่ถ้าทาบุญทาทานเพื่อให้คลายความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆ mm hmm. ก็จะไม่ต้องเสียไม่ต้องต้องใช้เวลาไปกับการหาเงินหาทองไม่ต้อง ใช้เวลากับการใช้เงินใช้ทองก็จะได้มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติสมาธิกันได้ดังนั้นนี่คือเรื่องความสำคัญของขั้นแรกท่านจะเรียกว่าเป็นความรู้ก็เหมือนความรู้ระดับอนุบาลหรือปะถมที่นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าต้องผ่านก่อนต้องผ่านทานให้ได้ ต้องไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของไม่โลภอยากได้มากกว่าความจำเป็นความต้องการความจำเป็นของร่างกายถ้าพอมีพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนแล้วแล้วก็มีเงินไว้สํารองไว้เผื่ออนาคตอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะได้มีเงินสํารองไว้ช่วยดูแลต่อไปถ้ามีแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องกังวลมากกันไป ไม่ต้องไม่ต้องสำรองมากเพราะเราก็ไม่รู้จะอยู่ไปถึงกี่ปีจต่บางบางทีสำรองมากๆ ก, ก, ก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีตายไว้ซะก่อนก็มีเะฉนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราหาเงินเป็นหาเงินได้ถ้ามันหมดเราก็หาใหม่ได้ถ้าถึงเวลาจําเป็นจะต้องหาเงินหาได้แต่สู้เอาเวลามาหาธรรมะดีกว่ามาหาสติดีกว่าอย่าไปหาสตางค์สตางค์นี้หาพอประมาณก็พอ พอให้เราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนหาสติดีกว่าหาสติแล้วถึงแม้จะไม่มีสตาง์ก็จะไม่เดือดร้อนผู้ที่ไม่มีไม่มีสตางแต่มีสตินี้เขาอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่มีสตางพระอาหารหันตสาวกก็ไม่มีสตางแต่ท่านมีมหาสติกันมหาปัญญากันการสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนกับความโอดอยากขาดแคลนทุกยากอย่างไร ใจของท่านไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจของท่านเป็นปร r a m a n g s u k ขังอยู่ตลอดเวลาดังั้นไม่ต้องไปกังวลมากเกินไปกับเรื่องอนาคตว่าจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ดีอย่าบางคนต้องเก็บกลัวจะอดอยากขาดแคลนไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามาเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วจะเริ่มเห็นว่าความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนี่มันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆเงินที่คิดว่าจะเก็บไว้ใช้ อานาคตดีไม่เด่นก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมคนที่มาบวชนี่ก็เลยยกให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าไม่ต้องใช้เงินทองก็อยู่ได้คนที่เป็นนักบวชนี่เขาไม่ใชเาไม่อยู่ด้วยเงินทองเขาอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยสมาธิเฉั้นถ้ามีธรรมะแล้วอยู่ได้ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้นี่คือเรื่องของทาน ที่พวกเราทุกคนควรจะกระทากันถ้าเรายังไม่ได้กระทากันอย่างเต็มที่ควรทําให้เต็มที่เต็มกําลังเพื่อจะได้สนับสนุนในการรักษาศีลถ้าทํายิ่งมากเทา่าไหร่ใจยิ่งมีความเมตตามากขเท่านั้นแล้วจะทําให้การรักษาศีลห้านี้รักษาได้อย่างง่ายดายเพราะการรักษาศีลห้านี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปเบียดเบียนผู้อื่น ให้เราไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีความเมตตาจากการทำบุญทำทานเราก็จะไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ค้าสัตว์ไม่ไมปรปพติผิดประเวณีไม่พูดปิดโกโหกหลอกลวงอันนี้จะเป็นศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ทำบุญทำทานได้ศีลก็มีหลายระดับด้วยกัน ทานก็มีหลายอย่างศีลก็มีหลายอย่างศีลพื้นฐานก็คือศีลห้าที่ทุกคนควรจะเริ่มต้นที่ศีลห้ากันไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปน่นไม่เดือบของมึนเมาต่างๆอันนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปมีปัญหาไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครนั่นเองถ้าเราทำผิดศีลนี่เราจะต้องมีปัญหา แล้วก็อาจจะทําให้จิตใจเรานี้วุ่นวายและอาจจะต้องถูกจับไปลงโทษถูกกักขังอยู่ในคุกในตารางได้ถ้าเราทําผิดศีลข้อหนักหนักแต่ถ้าเราไม่ทําผิดศีลเราก็จะมีเราก็จะเป็นอิสระจะทําให้เราสามารถไปปฏิบัติธรรมได้เมื่อไหร่ที่เราต้องการก็ไปได้นัเบื้องต้นก็ให้ถือศีลห้าไปก่อน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการทําบาปถ้าไม่ทําบาปแล้วจะไม่มีปัญหากับใครไม่มีเรื่องมีราวกับใครไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกันไม่ต้องไปติดคุกติดตารางกันแล้วถ้าเรารักษาศี่ห้าได้แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ขั้นสูงต่อไปคือเราอยากจะไปเจริญสมมถะภาวนาไปฝึกสมาธิ เป็นธรใจให้สงบให้มีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิเราก็ต้องเพิ่มศีนจากศีห้าไปเป็นศีแปะเพราะศีแปดนี้จะช่วยห้ามไม่ให้เราไปเสพเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองคือให้เราเจริญเนคยข ม, มะารว่าเนคยข ม, มะก็คือการาระงับการ หาความสุขจากการเสพกรรมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดภทพะจะไม่หาความสุขจากการดูการฟังการลิ้มรส ด, ดมกลิ่นการสัมผัสกับสิ่งต่างๆถ้าเราหยุดกิจกรรมเหล่านี้ได้เราก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรายังติดกับการเสพกรรมอยู่ติดดูละครติดกินอาหารเย็น ติดไปเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิได้เพราะถ้ากินอาหารเย็นเสร็จพอจะมานั่งสมาธิมันก็ง่วงเพราะมันอิ่มท้องมันอิ่มน้ำหนังตหนังท้องตึงหนังตามันจะหยอ่อนนั่งสมาธิก็สับประกมไม่ได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิเลย แต่ถ้าไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันแต่แล้วนี่พอตกตอนเยน็นนี้ท้องจะว่างจะเบาจะไม่ง่วงนอนนั่งสมาธินี้ไม่หลับไม่สับประงมกละไม่เกียจค้านด้วยอัน mm hmm. นี้คือศีลแปดเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติภาวนาถ้าเรายังไม่ต้องการภาวนานี้ก็รักษาศีลห้าไปพังพางก่อนก็ได้หรืออยากหรืออยากจะลองรักษาศีลแปด ทดลองไว้ก่อนเผื่อเวลาวันใดเราอยากจะปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิเราก็จะได้รักษาได้เลยก็ดีเพราะว่าวันดีคือดีเราอาจจะอยากจะรักษาสิ่งแปลกอยากจะทำสมาธิก็ได้เพราะชีวิตของเรานี่เวลาเกิดปัญหาทางจิตใจมันไม่รู้จะไปขึ้นที่ไหนนอกจากการไปทำสมาธินี่เพราะถ้าจิตเราฟุงา้งซ่านวุ่นวายเครียดกับเรื่องราวต่างๆนี่ เราจะไม่รู้เราจะไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยวิธีการต่างๆมีวิธีเดียวเท่านั้นนะ่ะที่จะหยุดมันได้ก็คือไปนั่งสมาธิกันไปอยู่วัดไปภาวนาถ้าไปอยู่วัดไปภาวนาก็ต้องไปถือศีลแปดกันถ้าเราไม่เคยถือศีลแปดมาเลยก็ไปไม่ได้ไปก็กลัวอดข้าวกลัวอดข้าวเย็นไปแล้วก็กลัวเหงาถ้าไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟัง ไม่มีแฟนนอนด้วยอันนี้ก็จะทําให้ไปไม่ได้แต่ถ้าเราลองมาฝึกกันไหมพระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธเราว่าถ้าวันธรรมดาเราก็รักษาศีลห้าไปถ้าวันพระนี่เราก็มาถือศีลแปดกันซ้อมเอาไว้ก่อนซักซ้อมซ้อมถือศีลแปดแล้วก็ซ้อมฝึกสมาธิกันทําที่บ้านก็ได้ถ้าเรายังไม่มีเวลาพอที่จะไปทําที่วัด วันวันพระนี่ก็มีสองรูปแบบแล้วในสมัยนี้วันพระในรูปแบบเดิมคือตามปฏิทินเดิมปฏิทินเดิมนี้เราจะใช้วันตามการโคจรของดวงจันทร์คือวันขึ้นแรมของดวงจันทร์ขึ้นแปค่ำแลมสิบห้าค่แรม8ดค่ำแรมสิบห้าค่ขึ้นสิบห้าค่ำนี้ เป็นวันพระเดือนนึงมีสี่ครั้งด้วยกันแต่วันพระนี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์มันเลื่อนไปเนี่ยวันพระที่แล้วนี่ก็เป็นวันพุธแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเลื่อนไปเป็นพระรหัสแล้วต่อไปก็จะเป็นสุขมันจะเลื่อนไปตามตามการคำนวณของของปฏิทินทางจันทลักษมันก็อาจจะไม่สะดวกกับคนสมัยใหม่ ที่ไม่ได้หยุดทำงานในวันพระกันหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์เังนั้นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวันพระของเรามาเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะความหมายของวันพระก็คือวันหยุดทำงานเพื่อเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมีเวลาเข้าวัดกัน มีเวลามาเรียนรู้แล้วก็มีเวลาที่เราจะได้ปฏิบัติทำมาถือศีลแปดกันมานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันจะทำได้ก็ต้องเป็นวันหยุดทำงานถ้าเราถ้าเราไปถือตามวันพระวันพระที่ผ่านมาเป็นวันพุธอดีเป็นวันหยุดพิเศษแต่ถ้าวันวันพระหน้าเป็นวันพุธอีกเหมือนกันเป็นวันพระรหัสเป็นวันพระรหัสเราต้องไปทางานกัน เราก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาได้แต่ถ้าเราถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระของเรานี่เราจะมีเวลาทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันได้ดังนั้นชาวพุทธเราต้องฉลาดอย่ายไปยึดติดกับตาราจนไม่ดูว่าตารามีไว้เพื่อเพื่ออะไร เพื่อสอนให้เราฉลาดไม่ได้สอนให้เรายึดกับตำราเป็นเหมือนนอนนอนติดนอนนอนกินหนังสือนอนกัดกินหนังสือมันไม่ใช่เราเราไม่กินตำราเราศึกษาตำราเพื่อให้เราฉลาดแล้วเมื่อตำราสอนเราว่าให้เรามีวันพระเราก็ต้องเราก็ต้องรู้จักวิธีปรับวันพระของเราวันพระแปลว่าวันหยุดทีนี้ทางทางตำราวันหยุดมันเป็นวันที่เราทำงาน เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาะเป็นวันหยุดของของเราวันอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับกันนะถึงจะทันสมัยถึงจะทันกิเลสกิเลสมันชอบให้เราโ ง, โง่ให้ชอบเราไปยุดติดกับวันพระแบบเดิมจะได้ไม่มาฆ่ากิเลสนะเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการฆ่ากิเลสดีๆนี่กิเลสมันก็เลยจะหาวิธีทางอุบายต่างๆหลอกล่อเรา ให้เราไปถือวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมกันแต่มันก็รู้ว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ได้ในวันนั้นเพราะเราต้องไปทำงานกันถ้าเราไปยึดไปติดมันเราก็เล ย, ยถูกกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปแทนที่จะเป็นอาวุธมาฆ่ากิเลสกลายเป็นลูกน้องรับใช้กิเลสไปปกป้องรักษากิเลสไม่ให้กิเลสมันตายนั่นเอง้วยการไม่ปฏิบัติธรรม ดังนั้นเรื่องของวันพระนี้ขอให้เราทําความเข้าใจว่าเป็นวันหยุดทํางานเพราะสมัยก่อนเขาหยุดทํางานกันในวันพระท่านเท่านั้นวันสมัยก่อนในเมืองไทยนี้ไม่มีไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นี้มันมีมายุคหลังทางตอนที่ได้มาเกี่ยวข้องกับต่างต่างประเทศมีทําการธมาค้าขายกับต่างประเทศธนาคารเขาหยุดเสาร์อาทิตย์เราไปหยุดวันพระเดี๋ยวมันก็ทํางานกันไม่ได้ วันสารอาธิตย์เราไม่หยุดเขาหยุดจะติดต่อการเบิกเงินจ่ายเงินก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่หยุดตรงกันเราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดคือวันพระของเรามาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองแต่ทางทางศาสนาก็ยังเป็นเต่าล้านปีอยู่นั่นก็ยังติดอยู่กับวันพระขึ้นแรงอยู่นั่นมันก็เลยทำให้คนห่างออกจากศาสนาโดยไม่รู้สึกตัว พราะเขาไม่มีเวลาเข้าวัดกันเมื่อเขาไม่มีเวลาเข้าวัดเขาก็ไม่รู้คุณประโยชน์ของวัดว่ามีไว้เพื่ออะไรเขาก็เลยแทนที่จะสนับสนุนวัดเดี๋ยวนี้กลับมาแอนตี้วัดกันมาต่อต้านวัดกันไม่เหมือนสมัยก่อนนี้คนไทยแทบทุกคนนี่จะสนับสนุนวัดวาอารามกันสนับสนุนศาสนากันเพราะทุกคนได้เข้าวัดเข้าวากันได้แล้วได้รู้จักคุณประโยชน์ของวัดของศาสนา ว่ามีคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนอย่างไรแต่สมัยนี้มันไม่มีการเข้าวัดโรงเรียนก็ไม่ให้เด็กเข้าวัดกันอย่างนี้ก็ไปตามตามหลักสากลนคือโรงเรียนต้องไม่สนับสนุนาศาสนาใดศาสนาหนึ่งไม่ให้สอนเรื่องาศาสนาในโรงเรียนเมื่อไม่สอนเรื่องาศาสนาให้กับโรงเรียนก็เหมือนกับเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชั่วไม่รู้เรื่องศีลเรื่องธรรม ไม่รู้เรื่องความกตัญญูกตวเวทีเรื่องสัมมาคาราวะเรื่องอะไรต่างๆแล้วต่อไปมันโตขึ้นมันก็ไปสอนลูกของมันอีกทีมันก็ยิ่งจะกลายเป็นพวกไรศาสนากันก็จะทําให้สังคมนี้มีแต่เรื่องราววุ่นวายเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเพราะการไม่ได้เข้าเข้าหาศาสนาเพราะศาสนาจะถอนสอนให้ ให้ละการกระทำบาปให้ทำแต่สิ่งที่ดีให้ชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้เบาบางลงและให้หมดสิ้นไปแต่สมัยนี้มันกับตาลับตันอย่นี้ทำบาปกันเยอะขึ้นทำทำดีกันน้อยลงแล้วก็ทำเรื่องกิเลสมากขึ้นโลภ ก, กันมากโลภมากขึ้นโกรธมากขึ้นหลง ก, กันมากขึ้น สังคมอะไรวุ่นวายทุกวันข่าวสรารต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังอันนี้มาจากเรื่องผลจากการที่ไม่รู้เรื่องศาสนานี่ไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่รู้เรื่องโทษของความโลภความโกรธความหลงว่ามันจะมีโทษต่อตัวเองและกับผู้อื่นอย่างไรนี่อันนี้เพราะไม่ได้ศึกษาทำไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรไม่รู้ว่าต้องทาทานต้องเสียสละแบ่งปัน ไม่รู้ว่าต้องรักษาศีลเพื่อไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้ไม่ไปสร้างความเสียให้เดือดร้อนให้แก่ผู้แล้วก็รักษาศีลเพื่อสนับสนุนการชำระกิเลสตัณหาที่มีอในใจให้หมดสิ้นไปฉะนั้น <Yeah. S 1> <And S 2> พอเรามาอยู่ขั้นศีล น, นี้เบื <Yeah. S 2> ้องต้นเราก็พยายามรักษาศีลห้าให้ครบทุกวันให้ได้ <Yeah. S 2> แล้วก็วันหยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์วันใดวันหนึ่งหรือสองวันเลยก็ได้ถ้าเราทาได้ ก็รักษาศียแปดไปแล้วก็ถ้ายังไม่สามารถไปวัดได้ก็ลองฝึกสมาธินั่งสมาธิที่บ้านไปก่อนก็ได้เวลาทำสมาธิก็ต้องมีที่สงบนะก็อาจจะต้องเข้าไปในห้องที่ไม่มีใครมารบกวนเราเพราะถ้าเราไปนั่งที่ห้องรับแขกแล้วมีคนอื่นเขาพลุกพล้านทำนู่นทำนี่อยู่มันก็จะทำให้การนั่งสมาธินี้ยากและลาบาก เราก็ต้องมีที่สำหรับนั่งสมาธิที่ที่เราจะนั่งสมาธินี้ต้องสงบปราศจากเสียงรบกวนปราศจากบุคคลต่างๆเพื่อเราจะได้มามีสติจดจอ่ออยู่กับการควบคุมใจให้หยุดคิดทำใจให้หยุดคิดทำใจให้นิ่งเวลาใจนิ่งแล้วใจก็จะได้พบกับความสุข ที่เกิดจากความนิ่งสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราลองได้สัมผัสกับความสุขจากสมาธิแล้วต่อไปนี้เราต่อไปเราจะจะอยากจะนั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่อยากดูหนังไม่อยากฟังเพลงไม่อยากจะไปกินไปดื่มอะไรที่ไม่จำเป็นทำแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสาหรับร่างกายถ้าต้องการหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่า ง่ายดีสะดวกดีไม่ต้องเสียเวลามาชงกาแฟส่งชงชาเปิดเครื่องดื่มอะไรต่างๆมาดื่มน้ำนี่แหละเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสาหรับร่างกายร่างกายไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านก่อนน้ำร่างกายไม่ต้องการสีกลิ่นนสดของน้ำผู้ที่ต้องการสีกลิ่นนสดของน้ำก็คือกิเลสนี่ตัวที่จะคอยดึงให้เราติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ถ้าเราต้องการจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตัดการเสพการมาคุณรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะมาทางอาหารทางเครื่องดื่มก็ตามก็ต้องตัดมันอาหารนี้ก็อาจจะกินแบบไม่เลือกกินดูยอย่าไปกินอาหารที่ชอบกินอาหารตามตามมีตามเกิดไปกินเพื่อให้มันอิ่มท้องก็พอไม่ต้องให้มันอร็ดอร่อยถูกใจถูกบาปถูกใจ พราะการถูกปากถูกใจมักจะไปถูกกิเลสมากกว่าถูกธรรมจะทําทให้ติดติดในรสชาติของอาหารแล้วจะทําทให้มาเป็นอุปสรรคเวลานั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิไปพอคิดถึงอาหารขึ้นมาก็หิวขึ้นมาทันทีแล้วก็จะไม่มีสติไม่มีสติสมาธิที่จะนั่งสมาธิต่อไปก็ได้ดีไม่ดีอาจจะหักศีลแตกไปเลย อันนี้ขอขอเปลี่ยนขอเอาแค่สีห้าเพราะหิวขึ้นมาแล้วพอพอหิวขึ้นมา น, ะ น, มา น, นี่มันบอกขอเปลี่ยนได้ไหมตั้งใจจะถึงสี่แปดพอถึงเวลาจริงๆแล้วถือไม่ไหวแล้วขอถือสีห้าแทนอันนี้ก็เป็นไปได้นะถ้าเราไม่ควบคุมไม่คอยควบคุมความความอยากในรูปเสียงกลิ่นรธธ้อนปวดบพระเราต้องเห็นโทษของมันว่ามันเป็นอุปสรรค เป็นตัวที่จะคอยกั้นทางสู่พระนิพพานนั่นเองถ้าเราต้องการไปพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องกาจัดการมฉันทะคือความยินดีในการมคุณทั้งห้าให้ได้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเรากำจัดได้นั่งสมาธินี้เร้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วเราจะรู้สึกมหาสั จ, จใจว่าเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราเอง เราเป็นผู้วิเศษขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเราเราไม่ต้องไปหาใครนะเราไม่ต้องไปหาผู้วิเศษที่ไหนนะผู้วิเศษที่แท้จริงมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันรอที่มันรอที่เราจะเปิดประตูให้มันออกมาเราไปติดประตูกั้นมันแล้วเอาการมาฉันท่าไปปิดไว้แทนที่จะเข้าหาผู้วิเศษในใจเราเรากลับไปหารูปเสียงกินรถโพธิพราเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวในตัวเรานี่มีของวิเศษอยู่ มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ในตัวของเราเองแต่พอได้ได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราเจเริญสติอยู่สม่ำเส ม, สมอคอยหยุดความคิดคอยควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดได้เอามานั่งสมาธิใจจดจ่ออยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือพุโทโธพุโทโธก็ได้ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอะไรน5นาที10นาทีมันก็นิ่งสงบขึ้นมา ตกหลุมตกบอ่อวุบลงไปแล้วก็พบกับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงทันทนีนี่คือเรื่องของการปฏิบัติต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันให้ได้เพราะเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราแล้วอย่าไปหาของที่นอกตัวเราเลยมันเป็นของขยะเป็นเศษขยะทั้งนั้นกลายเป็นกองทุกข์ี่มากกว่าได้อะไรมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษา ทุกกับความห่วงใยทุกกับความเสียดายเสียใจเวลาที่จะต้องเสียเขาไปเวลาที่เขาต้องพัดพากจากเราไปอย่าไปหาเรื่องมาใส่อย่าไปหาเหามาใส่หัวพวกง่ายๆอย่าไปแกลงเท้าไปหาเสียนเลยมันไม่มีความสุขหรอกความสุขมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดสุขเดียวเดียวเวลาได้เสพพอไม่ได้เสพก็เิ่นธารมานอันนี้คือ ให้มหาทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้มาหาธรรมที่มีในตัวของเราด้วยการปรเจริญมรรคขั้นต้นก็จเจริญโลกียมรักไปก่อนเมื่อได้ถึงขั้นโลกียมรักสมบูรณ์แล้วคือได้สมาธิได้ฌานแล้วเราก็ไปสู่ขั้นโลกุตัรามรักต่อไปเพื่อไปละสังโยชน์ต่างๆที่เป็นตัวผูกรัดใจให้ติดอยู่กับการมีว่าการเกิดพอได้โลกียมรักได้สมาธิได้ฌานแล้วก็ขึ้นสู่โลกุตัลามรักได้ พอ เ, เข้าสู่โลกุตละมร ก, ก็จะได้มรกคสีขนสีนิพพานหนึ่งตามลำดับต่อไปนี่คือประโยชน์สูที่เราจะได้รับกันในวันนี้ในวันที่เราไม่ต้องไปทำงานเป็นวันหยุดพิเศษเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติกันต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ทร ยะถาวะเววะหาปุราปิริโพเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังต um ุมหังคิพเปเมวะสมิจฉาโตสัพเพโพเรนโตสังกปา จานโทปนาระโสยถานานิโชติอระโสยถาสัพพิติยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะมิจจังวุธาปจายิโน ยตาโรธมรวัานติอายุวโนสุขังภาล่าช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะเขียนข้อความใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจได้หรือถ้าอยากจะมาถามเองก็เชิญเข้ามารับไมโครโฟนเราจะได้ถามคำถามได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่คะจาก Facebook 523 YouTube p r สามยูท l i f ระ4ุ YouTube Dr.V 135อิทดวยุิิออนไลน์9 Clubhouse 18หน้ากุฏิ 116รสิหกรวมหนึ่งพันห้าสิบท่านค่ะนยมงอยู่ข้างหลังอย่างเดียวทางสองท้งเลยลูกกับมนักสการพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะลูกได้ติดตามพระอาจารย์ทุกช่องทางแล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติตามพระอาจารย์ส1บเอดเดือนนี้ก็เริ่มจากครึ่งชั่วโมงมาเป็นสี่สิบห้านาที แล้วก็มาเป็นหนึ่งชั่วโมงทีนี้ลูกมีลูกมีสภาวะอยากถามพระอาจารย์ว่าเออที่พระอาจารย์สอนลูกเริ่มแรกๆก็คือพุทโธจับอารมณ์พุทโธแล้วต่อมาลูกมาเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจที่ไปจมูกอะคะ่ะทีนี้มันรู้สึกว่าจะเริ่มนิ่งกว่าพอนิ่งมันเหมือนตัวเราพอดูลมหายใจไปแล้ว มันไม่มีลมหายใจแล้วมันเหมือนอยู่ในอกในพุงแล้วก็นิ่งเงียบเหมือนสูญญากาศอาแล้วทีนี้ลูกอยากถามว่าถ้ามันนิ่งเงียบเป็นสูญญากาศแล้วลูกจะต้องทอํายังไงต่อคะไม่ต้องทําอะไรก็ดูต่อไปดูความนิ่งไปอ่าเพราะตอนแรกลูกลูกจับที่ที่ปลายจมูกแต่พอพอลูก ไ, ลไปจับก็จับความนิ่งไปจับความนิ่งของจิตไปพอปลายจมูกไปนานๆมันรู้สึกว่า มันนิ่งมากมแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าตกหลุมตกบ่อ น, นะคะพี่อาจารย์ก็มันยังใกล้ๆปากหลมนะถ้าดูต่อไปเดี๋ยวมันก็จะลงค่ะอ ย, อย่าไปอย่าไปแรงอย่าไปเกง่งอย่าไปลุ้นนะมันจะไม่ลงดูะจะไปดูไปเฉยๆหรือว่าตอนนี้ลมไม่มีให้ดูก็ดูดูดูแต่ปลายจมูกไปก็แล้วกันค่ะไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นดูต่อไปเป็นเป็นคนดูอย่างเดียวค่ะตอนนิ่งเงียบก็รู้สึกว่า ไม่มีความคิดใดๆแล้วก็สงบแล้วก็มีความสุขในขณะนั้นนะคะนั่นแหละถูกต้องนะแต่ว่าไม่มีลมออกทางนี้ไม่รู้ว่าในร่างกายหนูมีลมอยู่ได้ยังไงไม่ต้องไปสนใจนะถ้ามีสติไม่รู้อยู่แล้วก็ไม่ตายไม่เป็นอะไรลมมันอาจจะละเอียดจนกระทั่งเราจับไม่ได้อมันหายใจแบบแบบที่เราจับมันไม่ได้มันเบาลูกค่ะไม่มาถูกทางแล้วไม่ต้องกังวลเลย ให้ดูต่อไปให้รู้ต่อไปมันนิ่งก็ให้มันนิ่งไปนานๆถ้าที่จะนิ่งแล้วถ้ามันะจะเริ่มคิดก็ลองใช้พุโทโธหรือถ้าจาับลมได้ก็จับลมมาค่ะพะอลุกอย่าเพิ่งเลิกลูกเริ่มจับลมตามที่พระอาจารย์สอนลูกติดตามพระอาจารย์ทุกช่องทางวันพุธห้องซูมแต่ลูกอยู่นอกห้องซูมแล้วก็วันอาทิตย์ช่องคุณหมอวีมาตลอดค่ะดี ด, ะดอะไรก็เข้ามาถามได้ค่ะ พระอาจารย์ค่ะลูกมีคำถามอีกข้อหนึ่งลูกอยากถามว่าพอลูกถาปฏิบัติตามพระอาจารย์มาสิบเอ็ดเดือนไม่ไม่เคยหยุดเลยแม้แ ต, ต่วันเดียวลูกอยากถามว่าลูกเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากพบปากผู้คนไม่อยากสังสรรค์กับใครอันนี้ลูกจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคะอ๋อไม่หรอกถ้าเรามีความสุขไม่เ็นซึมเศร้า เรามีความสุขอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับหลายคน อ, อยู่กับหลายคนแล้วมันวุ่นวายค่ะคนปฏิบัติก็บางใจเป็นอย่างไีทั้งนั้นเริ่มไม่อยากคุยกับใครใครก็อยเป็นรังเกตเขาก็แล้วกันถ้ามีความจําเป็นที่ยังต้องพบปะกันสนทนากันบ้างก็ทักทายกันไปพอไม่ให้เสียมารา ย, ยาศักดแต่ถ้าถ้าขอตัวได้ปิดตัวได้ก็ปิดไปถ้าก็เชิญชวนเราไปทําสังจัดกิจกรรมอะไรร่วมกับเขาก็ปฏิเสธไป เราต้องการทากิจกรรมของเราคนเดียวดีกว่าเป็นความสุขที่ดีที่สุดเป็นความสุขที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมายังไม่ผิดหรอกถูกต้องนะยิ่งสงบมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะยุ่งวุ่ใคร ค่ะพระอาจารย์ตอนแรกก็รู้สึกตัวเองว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าไมไม่มไม่ซึมเศร้าถ้ามีความสุขไม่ซึมเศร้าคนซึมเศร้านี่มีแต่ความทุกข์มีความสุขเขาเวลาปฏิบัติใช่ไม่ต้องกลัวแล้วถ้ามีความสุขอยู่คนเดียวนี้แล้วก็เริ่มน้อมนําคําของพระอาจารย์มาก็ยิ่งแบบคิดตามแล้วก็ปล่อยวางพระอาจารย์ก็จะติดอยู่ใน ความคิดลูกตลอดอืจะทําอะไรก็เหมือนหน้าพระอาจารย์ก็จะลอยขึ้นมาโดยอัตโนมัติเอาคําสอนดีกว่าเอาเสียงแต่หน้าแต่หน้าพระอาจารย์ก็ลอยมาด้วยค่ะใช่แต่ยังไงเอาเอาธรรมะด้วยนะยาแต่หน้าอย่างเดียวหน้าเกเรไม่กลัวเกเรมันกลัวธรรมมากกว่ากรับกบขอบคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะทาต่อไปต่อไปก็ไม่ต้องครึ่งเราพอพอรู้ทางแล้วรู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องครึ่งเราทําเองได้ ได้ไ<า>ด้เชิญมีใครอยากจะถามอีกไหมเชิญ้ามาถามได้นะถ้าไม่มีจะได้เอาทางบ้านต่อคุณอ้อในปัจจุบนันนี้พระสงฆ์ใช้ผ้าคนหนูเพื่อเช็ดตัวหลังอาบน้ำได้ไหมคะหากเราจะถวายสังฆทานที่มีผ้าเช็ดตัวให้แด่พระสายวัดป่าจะสมควรไหมคะ ก็อยู่ที่ท่านจะใช้ไม่ใช้แต่ไม่มีข้อห้ามนะเป็นผ้าก็ปกติภ้ามักน้อยสันโดษท่านจะแค่ใช้แผ่ผ้าสามผืนแต่ถ้าผ้าที่ยังไม่ถึงขั้นมักน้อยสันโดษใครถวายผ้าอะไรท่านก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นผ้ากรรมฐานซาสายปฏิบัตินี้ท่านมักจะค่อนข้างที่จะเข้มงวดต่อธ ร, รมเนียมประเพประเพณีเดิม พอสมัยโบราณมันไม่ค่อยมีผ้าก็มีแต่ผ้าผ้านี่ยผ้าเป็นผ้าของพระผ้าหลังของทางคารวาะของทางลูกก็มักจะไม่ใช้กันอ่ก็มันก็แล้วแต่พระนะเพราะมันไม่มีข้อห้ามมันเป็นธรรมเนียมมากกว่าเป็นวิธีการปฏิบัติของพระสายปฏิบัติสายทางวัดป่าสายวัดป่านี่จะไม่ค่อยชอบใช้ของที่ชารวะคารวะใช้กันใช้แต่ของพระ ของผ้าก็เป็นผ้าเนี่ยผ้าจีวรผ้าอังสะผ้าอะไรทำลองนี้ความจริงผ้าเช็ดตัวไม่ต้องใช้เราก็ไม่เคยใช้เราใค่มันแห้งเองเดี๋ยวใส่ผ้าเข้าไปพอซัดอาบน้ำแต่ก็เอาเอาจีวรใส่เข้าไปเหน๋ยวจีวรก็เป็นผ้าเช็ดตัวไปในตัวเองอันนี้ก็ต้องมีผ้าอีกผืนนึงก็ต้องมีผ้าละมาซัดมาดูแลมันใช้ให้มันน้อยที่สุดดีที่สุด เอาลองอาบน้ำํำนูเสิไม่ต้องเช็ดก็ได้เดี๋ยวมันแห้งเองเอามือรูปๆให้น้ํามันหลุดออเอาออกไปส่วนที่เหลือเดี๋ยวมันไม่กี่นาทีมันก็แห้งจะได้ไม่ต้องมาคอยซักผ้าผ้าเช็ดตัวอยู่เรื่อยๆมีผ้าอีกผืนนึงก็ต้องมีภาระอีกผืนหนึ่งอย่าง้ยถ้ามีน้อยผืนมันก็มีภาระน้อยลงไปนี่คือความมากน้อยเพื่อตัดภาระตัดเรื่องราวที่ไม่จําเป็นจะต้องทําเพื่อใช้ได้เอาเวลามาปฏิบัติทำดีกว่า มีคำถามนะเดี๋ยวจะให้กิงก่อนพันโทหญิงใี่ไหมพันตํารวจโทรหรือพันตารวจเองนะพันตำรวจโทรค่ะการนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนมาตลอดนะคะก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกสติตัวเองพุโทโธพุโทโธตลอดนะคะก็อาจจะมีความคิดที่ไปตรงอื่นบ้างแต่ก็จะมีสติรู้ทันแล้วก็กลัดมาพุทธโทรต่อ แล้วก็ในช่องที่นั่งปฏิบัติสมาธินะคะก็นั่งไปได้สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเริ่มเลีนาเจ็บที่ขาแต่ก็มีปัญญามาบอกว่าก็ตรงนั้นมันเป็นที่กายไม่ใช่ที่จิตเราจิตเราไม่ไม่ได้เป็นอะไรแลาความรู้สึกตรงที่มันเจ็บตรงนั้นอนะ่ะมันก็นิ่งเงีแล้วก็มีความรู้สึก นิ่งขึ้นมาสักคู่หนึ่งอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนลุกนิดหนึ่งแล้วก็นั่งพูดโทต่อไปอาการเวทนานั้นอะมันก็เหมือนกลับมาอี ก, อกทีหนึ่งแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากอะ่ะทีนี้ก็ถาตรงนี้ อ้องนั่งต่อไปเรื่อยๆไหคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือสักพักหนึ่งก็ก็ออกจากสมาธิอ่ะถ้านั่งได้นานเท่าไหร่ก็มันก็สบายมันไม่ต้องไปวุ่นวายเวลาออกมาแล้วมันก็ต้องมาคิดมายุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้านั่งต่อได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแล้วถ้าอยู่กับทุกขเวทนาได้ยิงย่งยิ่งนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะต่อไปเราจะได้ไม่เดือดร้อนกับมันเวล า, ามันมาพยายามฝึกท่านอ ย, อยู่กับมันไป อ, อย่างนี้มัน อย่าไล่มัน<ะ>ต้อนรับมันเลยเหมือนเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเ<ะ>พื่อนรักแล้วต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะเราอยู่กับมันได้เขาถือว่าเขาเป็นเพื่อนเราเข้ามาเยี่ยมเยืยนเราแล้วก็ต้อนรับขับสูงเขาไปความนิ่งมันมันก็จะพัฒนาขึ้นไปสติมันก็จะมีมากขึ้นจิตเราก็จะนิ่งขึ้นมากขึ้นออกมาก็จะนิ่งกับเรื่องอื่นมากขึ้นด้วยใครด่าเราเราก็นิ่งได้ใครเขาร้ายกับเราไม่ดีกับเราเราก็นิ่งได้เฉยรับ ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราห้ามเขไม่ได้เหมือนกับอาการเจ็บปวดของร่างกายเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราหัดอยู่กับมันได้คถ้าอยู่กับมันได้แล้วต่อไปสบายไม่ต้องไม่ต้องดิ้นหนีไม่ต้องไปทุกไม่ต้องไปต่อสู้คร่ะคือถ้ามีเวลาเราก็นั่งพิจารณาต่อไปไดเรื่อับนั่งให้นานที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะนั่งได้นั่งได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีขอบรับสุขการค่ะคราวนท่านอยู่ข้างหลังเบสบอล นอสการ์ครับพาจย์ที่จริงส่งข้อความมาใน Facebook เฟซบุ o กแล้วแต่เดี๋ยวถามดีดีกว่าก็คือผมอย่างผมมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับมันจะมีแมงมีมดเต็มพื้นเต็มห้องน้ำไปหมดเลยแล้วบางทีผมทำให้ทำกิจกรรมกิจวัตรลาบากอย่างเงี้ยต้องคิดหรือทำยังไงครับถจะคือบางทีมันก็เป็นทุกข์คือแบบ เดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวจะอาบน้ำเดี๋ยวน้ำมันจะไปโดนมดโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมีวิธีการแต่ถ้าไม่เคยทำมันก็อาจจะทำไม่เป็นคือมดนี่มันเดินเป็นทางของมันถ้าเรามีอะไรไปขีดเช่นก็มีชอคขีดกันมดเนี่ยมันขีดก้านทางมันเดินพอมันได้กลิ่นมันก็จะหยุดเดินแล้วมันก็จะถอยกลับไปเราไปหาชอคกันกันมดาขีดตามทางเดินของมัน อย่าอย่าไปขีดตัวมันนะไปเหมือนก็บไปตัดทางเดินของมันเนี่ยพอมันมาถึงมันได้กลิ่นปั๊บมันก็ชะลักแล้วเดี๋ยวพอมันไปไม่ได้มันก็ขอให้กลับไปแต่จากที่ดูแล้วคือมันมาจากรูข้างๆห้องน้าอะครับแล้วแบบมันมาเยอะมากแล้วคือบางทีผมต้องอาบน้ําผมก็เลยแบบต้องอธิษฐานว่าแบบผมไม่ตั้งใจให้ ให้ตัวไหนตายมันอธิษฐานไม่ได้แล้มันตายนเนี่ยไม่ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ต้องไม่อาบนะไรก็แช่ตัวไปก<ต>็เอาชอบเอาชาบขีดตามทางเดินกันับมันโผล่มาตรงไหนก็ฉีดขีดรอบบริเวณที่มันโผล่มารู้ที่มันโผล่มาแล้วขีดรอบแต่พอมันได้กลิ่นป้ามันก็ออกมาไม่ได้มันก็ไป แ ต, แต่ตอนที่คืนต่อมาผมก็แบบใช้ไม่กวาดเขาปัดออกอก็กวาดก็ได้ถ้ากวาดอันนี้เมาม า, า, าอย่าไปกวา ด, ดให้มันตายโอเค <laughs> <ด><ด>แล้วอย่างคือผมก็ปฏิบัติทรมมาพักพักหนึ่งแล้วนะครับคือบางทีเหมือนมันจะดีแล้วมันก็จะแบบเหมือนใจผมมันไม่เข้มแข็งพอครับเหมือนกับกิเลสแหยาบผมก็แบบ เโอเวอร์ไม่ได้เงครับคือผมต้องปรับความคิดผมประมาณยังไงครับคือพอเราหลงไม่ใช่ไหมครับถ้าเรารับผลมันแล้วอะเราก็รู้สึกแบบซัฟเฟอร์อะครับแล้วผมก็ไม่รู้ต้องทำยังไงถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นี่อสติแล้วไม่ต่อเ น, นื่องพอเราเผลอปิดช่องให้มันเข้ามาเมื่อไหร่มันเข้าม า, าทันทีเมืนพอรู้ว่ามันเข้ามามต้องรีบใช้สติใช้พุทโธปิดมันก่อนเลย อย่าไ่คิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมคขอบคุณมากครับรักษาการวาวเองคำถามทางบ้านต่อคุณมาลัยหนูนั่งสมาธิและไม่นั่งสมาธิจิตก็สงบดีไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านแต่มีความรู้สึกหงุดหงิดเกิดขึ้น พอรับรู้ได้ในบางครั้งคําถามคือหนูจะ พ, จพิจารณาทางปัญญาได้หรือยังคะก็ถ้าเราพิจารณาณเป็นก็ใช้ได้ถามว่าเรางุนเกิดเพราะอะไรพระจะบอกความงุนเกิดเกิดจากคําอยากอยากอยา ก, อยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ดังใจอยากก็งมดเกิด อ, อยากไปเที่ยวพอไม่ได้เที่ยวก็งดเกิด อ, อยากจะเจอคนนั้นคนนี้พอไม่ได้เจอเขาก็งดเกิด น, นเราต้องตัดความอยากไปให้ได้โดยพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เนี่ยมันมาสร้างความหงุดหงิดให้กับเราเวลาเราไม่ได้เขาเฉั้นเราอย่าไปอยากดีกว่าเรากลับมาทำสมาธิทำจิตให้สงบแทนให้มาหาความสงบดีกว่าพอจิตสงบแล้วความหงุดหงิดก็หายไปคุณทิติชยานลองนั่งสมาธิ ทำสมาธิก่อนนอนเดิมปฏิบัติพุโทโธลองเลือกฟังธรรมกับทำสมาธิความทรมานกายบังเกิดถ้าภาวนาแค่พุโทโธไม่ได้สัมผัสกายค่ะเพียงแต่ระยะเวลานั่งไม่นานค่ะสลับกับนอนรู้สึกตัวก็นั่งสมาธิต่อค่ะหนูปฏิบัติถูกต้องไ้ยเจ้าคะ่ะต้องภาวนาพุโทโธต่อเนื่องหรือเจ้าคะ่ะถ้าทาได้ทั้งวันทั้งคืนก็เลยกเว้นเวลาหลับได้ ภาวนาพุโทโธได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือไม่ก็ตามให้เรามีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจเป็นเหมือนกับเกาะคุ้มภัยคุ้มกันภัยภัยก็คือความฟุ้งซ่านกิเลสตนาะความอยากต่างๆถ้าเรามีสติพุโทโธพุโทโธมันกิเลส ก, ก็จะเข้ามาไม่ได้ใจเราก็จะสงบมีความสุขคุณพวงเพชรแม่เป็นผู้ไปถือศีลบ่อยแต่ชอบโกหก เกลียดคนนู้นคนนี้แม่จะได้บุญไหมคะก็ได้ส่วนที่ที่แม่ทำไงส่วนที่ยังทําไม่ได้ก็ไม่ได้ส่วนที่ยังโกรธยังเกลียดเขนั้นอยู่ก็ยังชำระไม่ได้ยังตัดไม่ได้แต่ถ้าแม่ไปใส่บาตรแม่ก็ได้บุญส่วนนั้นไปแม่รักษาศีลก็ได้ไ ด, ได้ได้บุญส่วนที่รักษาไปคนเราจะให้เป็นแบบเป็ น, ปนผ้าหันทันทีมันไม่ได้หรอกพอเข้าวัดปั๊บนี่มาทุกอย่าง เป็นผ้าเรียบผ้าขาวสะอาดมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเด็กที่หัดเดินนียมันก็ต้องมีล้มลุกคลุกคานไปเป็นธรรมดาเพรนั้นอย่าไปตำหนิคนอื่นในตำหนิตัวเราดีกว่าแล้วเราดีกว่าแม่หรือเปล่าเราไปวัดได้หรือเปล่าเราไปปฏิบัติธรรมอย่างแม่ได้หรือเปล่าไปชอบไปดูส่วนเล็กๆน้อยๆของคนอื่นส่วนใหญ่ๆของตัวเองมองไม่เห็นท่านบอกว่า มีมีตำนาท่านบอกว่าความผิดของผู้อื่นแม้จะเท่าผงทุลีก็เหมือนภูเขาส่วนความผิดของตอนเองแม้จะเท่ากองภูเขาก็เหมือนผงทุลี <c oughs> อ่เป็นอย่างนั้นจริงๆรใช่ไหมชอบจับผิดคนอื่นแล้วเกินเนี่ยโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้เอใครไปโพสอะไรผิดหน่อยเนี่ยโอ้โหนวนถล่มเลยแล้วตัวเองวิเศษขนาดไหนไม่ผิดบ้างเลยหรือไม่มองความผิดของตอนเองแม้จะเท่ากองภูเขาก็ ผงผงธุลีความผิดของผู้เื่นไหมถ้าเป็นผงธุลีก็กลายเป็นภูเขาใหญ่โตขึ้นมาคุณแทนใจเวลาสวดมนต์เกือบทุกครั้งในที่สงบทําไมเหมือนมีคนมานั่งข้างหลังคะทั้งที่ไม่ได้รู้สึกนึกคิดไปเองคะอ่ะอมันเป็นจิตเราปรุงแต่งขึ้นไปเองโดยที่เราไม่รู้สึกแต่ว่ามันปรุงแต่งมันละเอียดมากจิตของเรานี่มันละเอียด แต่กระทั่งมันอาจจะคิดว่ามีนู่นมีนี่เข้ามาแต่ควาจริงไม่มีหรอกเป็นการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นที่มันละเอียดคุณแทนใจถามเข้ามาต่อเนื่องนะคะหนูนั่งทำหนูทําสมาธิหลับตาไม่ได้แต่สวดมนต์หนูทําทุกคืนก่อนนอนแล้วใจสงบค่ะก็ทําไปก่อนต่อไปก็พอจิตแข็งขึ้นมีสติมากขึ้นก็หลับตาได้หลับตาแล้วก็ดูลมจิตจะได้สงบมากขึ้น คุณโต้งถ้าฝึกกสินแล้วสามารถเดินปัญญาได้ไหมครับกสินสีทําอย่างไรครับทุกชนีดก็เป็นสมาธิเหมือนกับลมหายใจเป็นฐานของของปัญญาต่อไปแต่ไม่ทําตอนเดียวไม่ไม่ทําพร้อมกันไปเวลาทําสมาธิก็ทําแต่สมาธิให้จิตนิ่งสงบนานๆไม่ไม่พิจารณาทางปัญญาจะพิจารณาทางปัญญาต้องรอออกจากสมาธิก่อน เราออกจากสมาธิมาเดินจงกรมนาราี่พิจารณาได้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาการสาสบสพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายพิจารณาเพื่อให้จําได้คําว่าคาว่าพิจารณาคือพอเราไม่พิจารณาเราจะลืมเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆต่อไปมันเห็นร่างกายก็มันจะเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นอาการสามสิบสองทันทีคุณทรงสมน เวลาเข้าภาวนาแล้วรู้สึกตัวจะค่อมลงเรื่อยๆค่ะถ้าลูกขยับตัวให้ตรงแสดงว่าการภาวนาต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมคะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะก็ไม่ต้องขยับนปล่อยลงไปเวลาเราเริ่มต้นเราก็ตั้งตัวให้ตรงเท่าที่เราจะทำได้พอเราเริ่มภาวนาเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกายถ้าไปสนใจก็แสดงว่าเราไม่ภาวนาแล้วถึงแม้ยังไม่ขยับเพียงแต่ไปสนใจก็แสดงว่า เราไม่อยู่กับการภาวนาแนละ้วเราต้องลืมนั่งกายไปเลยเราต้องอยู่กับลมอย่างเดียวกล้พุทโธอย่างเดียวนั่งกายจะงอจะเอน็นซ้ายเอน็นขวาช่างหัวมันบางคนก็เกิืนน้าลายอยู่นั่นกลืนน้าลายจะไหลบางคนก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ขยับคอยไปเกามันก็ไม่ได้นั่งสมาธิมันนั่งเกาอนี้นั่งขยับร่างกายกอะไรตอนนี้มีปัญหาดิ้นหน่อยทางเสียง รือทางทางเฟสเด้อยู u <YouTube. S 1> ูบอ่าเวลาใจเย็นทำตามสบายทำสบายไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตา ย, ยอะไรทำด้วยสติอ่าได้ยินแล้วใช่ไหมใครจะยินเสียงก็ส่งหนึ่งกดหนึ่งเข้ามาหน่อยจะได้รู้ว่าเสียงโอเคก็ อ, อย่างนี้อนิจจังเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาเป็นของไม่เที่ยง เดี๋ยว้นั่นก็หลุดบ้างเดี๋ยว้นั่นก็หมดบ้างแบตหมดบ้างอะไรบ้งของหลวมบ้างหลายๆประการด้วยกันแค่เราอยู่ในโลกนี้ต้องทำใจให้กว้างๆอย่าอย่าไปยึดอย่าไปติดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นร้อยเอร์ซ์เสมอไปบางทีก็ได้แค่80ดสิบบางทีก็ห้าสิบบางทีก็ร้อยก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปทุกไปวุ่นวายกับมันปรับได้ก็ปรับทาแก้ได้ก็แก้ ทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมั น, นมันบวนได้ยังมีอีค่ะถามว่ามา <c oughs> คุณพิริยาลูกที่เลี้ยงดูแม่ให้เงินอย่างเดียวกับลูกที่ดูแลแม่ตัวเองจะได้บุญเท่ากันไหมคะก็อยู่ที่ประโยชน์ที่แม่ได้รับว่าอันไหนมากกว่ากันถ้าแม่ได้รับประโยชน์มากกว่าจากการเลี้ยงดูของเขาเพราะเขานี่ อ, อยู่ใกล้แม่รับใช้แม่ตลอดเวลาแม่หิวหน้าแม่ ก็ไปหยิบน้ำมาให้แม่ดืม่มเงินมันไม่ไปหยิบให้มาได้นะงั้นบางทีเงินมันก็มีประโยชน์แต่การได้อยู่ใกล้ชิดกันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจมีความรู้สึกปลอดภัยกว่าแต่เงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันถ้าอยู่ใกล้แต่จะไม่มีเงินซื้อน้ําซื้อข้าวมาให้แม่กินมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็ต้องทั้งทั้งสองอย่างนะ ก็ดูประโยชน์ที่ผู้รับจะได้รับกันละกว่าประโยชน์สุขของผู้รับอันไหนมากกว่ากันก็ถือว่าบุญ น, นัน้นมากกว่ากันหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมกับเรื่อถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามาแต่ว่าก่อนที่โยมเดินจงกมงออมจงรงมโ ย, ยมก็บางทีก็เอามือ ประกอบหน้าควายหลังมืางทีก็กอดอกบางทีก็ปล่อยแต่พอตอนหลังโยมมาอ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวค่ะท่านบอกว่าถ้าจะเดินจงกรมอะค่ะห้ามเอามือควยหลังห้ามเกาะห้ามกอดอกห้ามปล่อยมือตรงมือต้องมาประสานขวาทับซ้ายข้างหน้าตลอดตอนหลังโยมเลยต้องอมือมาอยู่ข้างหน้าตลอดอย่างนี้เราจําเป็นไหมคะเป็นความสวยงามไงถ้าเก็เดินก่อนอกเหมือนถ้าเดินเดินแบ่งเนินค <c oughs> วยหลังนี้เราไม่ได้เดิน ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ในท่าสำรวมอ่อนน้ําถ่องตนแล้วก็พอเราปฏิบตับ ต, บติบูชาอาจารย์น ะ, ะแล้วก็ บ, บูชาพระพุทธเจ้าเราจะไปกอดอกบูชาพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ดีค่ะอาจารย์ค่ะโอเ ค, <laughs> คแต่สําคัญมันอยู่ที่สติอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนประกอบที่จะช่วยทําให้การกระทําของเราดูแล้วสวยงามใครเห็นแล้วก็จะชื่นชมยินดีไม่ตําหนิ ูคนเดียวน้ครับางทีก็ข้างหน้าบางทีเราก็ข้างหลังเทวดาก็ยังเห็นอยู่นะหลังแล้วข้างหน้าอ่าข้างหน้าอย่างเดียวการอ่านหเราบูชาพระเจ้าพระเจ้าก็เห็นเราทั้งหมปฏิบัติบูชาเรียกว่าปฏิบัติบูชามีเข้ามใหม่ไหมคำถามถาม่า จะคุนขวัญเรือนเรายังเคารพบูชาครูบาอาจารย์ท่านอยู่แต่ไม่ได้ไปหาท่านเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากคนใกล้ชิดของท่านแต่ก็ยังปฏิบัติตามคําสอนของท่านอยู่แบบนี้จะได้ไหมเจ้าคะการบูชาที่แท้จริงคือการปฏิบัติบูชาพระุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้จะเกาะชายท่าเหลืองแต่แม่ปฏิบัติก็อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยตถึงแม้จะอยู่ห่างไกยจากพระพุทธเจ้าเป็นโยต์แต่ปฏิบัติก็ถือว่าได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า มันไม่ได้อยู่ที่กล้ามกายของเราว่าจะอยู่ใกล้ท่านหรือไม่ใกล้ท่านอยู่ที่ใจของเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้าใจเราปฏิบัติเราก็ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใกล้ครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่ปฏิบัติถึงแม้จะไปอยู่เกาะชายผ้าเหลืองท่านก็เหมือนไม่ได้อยู่กับท่านเพราะไม่เป็นตัวท่านอยู่ที่ธรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ากีวอันใดต่างๆอย่างนี้ขอให้เราปฏิบัติบูชาเป็นหลัก แล้วเราจะอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดที่ปฏิบัติบูชาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นผู้ที่เห็นเราตถาคตเพราะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็คือผู้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังเห็นได้นะ ถึงแม้ 2,600 กว่าปีมาแล้วนี้อยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติบูบชาไปพอถึงขั้นโสดาบันปับ๊บในหน้าพระุทธเจ้าจะโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีมีดวงตาเห็นธรรมปับ๊บก็จะเห็นพระพุทธเจ้า ท, าทันทีโอเคหมดได้ยังอ่าว่ามาเรื่อยๆ ค, คุณจรแค่นั้น กระผมปฏิบัติดูลมหายใจตอนนอนบางทีเห็นร่างกายหลับอยู่แต่สติผมรับรู้ลมหายใจตลอดตื่นเช้ามาเหนื่อยเหนื่อยเหมือนไม่ได้นอนเพราะบางทีรู้ตัวตลอดทั้งคืนแบบนี้ทําถูกต้องไหมครับก็หลับไม่สนิทไงถ้าหลับสนิทก็จะไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าหลับไม่สนิทมันก็ยังรู้เรื่องของร่างกายอยู่ คุณพิรตาเป็นคารวาต้องอธิษฐานเข้าพรรษาไหมและสิ่งที่อธิษฐานเราทําผิดพลาดไปบ้างจะบาปไหมคะเรื่องอธิษฐานนี่มันอยู่ที่ว่าเราอธิษฐานอะไรถ้าเราอธิษฐานว่าไม่ไม่กินเหล้าแล้วเราไปกินเหล้าอย่างนี้ก็ถือว่าเราผิดสัจจะเราเราตั้งใจแล้วแต่ไม่สามารถทําตามที่เราตั้งใจได้เราก็ล้มเหลวไปแล้วการการะทํานี้ถ้ามันเป็นบาปจะตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็บาป การที่การตั้งใจนี้เพื่อป้องกันนะไม่ให้ไปทำนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจว่าก็นึกอยากจะทําก็ทําไปเลยแต่ถ้าเราตั้งใจไว้ก่อนมันจะไม่กินเหล้าแล้วทั้งพรรษานี้มันก็จะพอจะกินเหล้ามันนึกขึ้นมาได้โอ้ยเราตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าเนะี่ยเราก็อาจจะหากข้ามจิตใจไว้ได้เวลาเนี่ยนะีไม่มีนะมันไม่มีอ